ท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนเมื่อเวลายี่สิบนาฬิกาตรงข้าหาบดีกับบุตรพัญญารออยู่แล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการสอบอารมณ์วันพรุ่งนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จะพากันกลับกรุงเทพเอาละลุงตาจะสอบอารมณ์หนูทั้งสามคนก่อนเริ่มตั้งแต่คนเล็กเลยนะ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 รู้ว่ามันหายนะครับคนตอบไม่ได้ตั้งใจยวนหากก็ฟังเหมือนกับยวนมันหายไปตอนพองหรือตอนยุบละ่ะไม่ทราบครับเพราะพอรู้มันก็หายไปแล้วสแสดงว่าสติยังจับไม่ทันต้องฝึกสติให้ว่องไวกว่านี้จับให้ได้ว่ามันหายไปตอนพอง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 หลุงตาว่าผมจะเรียนได้หรือเปล่าครับถ้าตั้งใจก็ต้องเรียนได้เอาเถอะถ้าหนูไม่ทิ้งวิชากรรมฐ า, านลุงตารับรองว่าในอนาคตหนูต้องได้เป็นคุณหมออย่างแน่นอนหนุ่มติง๋งก้มลงกราบลุงตาด้วยความปรื้มปิติเกิดความมั่นใจขึ้นอย่างประหลาดว่าตนจะได้ในสิ่งที่หวัง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 พอนอนกลับไม่หลับมันเบื่อเบื่อซิงๆอย่างบอกไม่ถูกท่านรู้ว่าเขาเก้าวหน้ามาถึงนิพพิทายานอันเป็นยานที่แปดในโสรถยานเขาเดินมาได้ครึ่งทางแล้วหนูปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากนะเอาเถอะพยายามเข้าแล้วจะประสบความสำเร็จผู้สอบอารมณ์พูดให้กำลังใจ แล้วผมจะทำอย่างไรให้ใหายง่วงล่ะครับหลวงตาการง่วงของหนูไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอาการของญาณเขาเรียกว่าหนูเข้าถึงนิพพิทายานเอาละหลวงตาจะบอกวิธีขจัดความง่วงให้แล้วท่านจึงบอกหนุ่มต้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเข้าถึงญาณแปด จากนั้นก็สอบอารมณ์ในต่อนางกิมเองและขหบดีตามลำดับแล้วสรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าเพื่อนคือต้อมและที่ก้าวหน้าน้อยที่สุดคือโยมประโยคหลังท่านพูดกับขหบดีผมได้ยันไหนครับสามีนางกิมเองถาม ยานห้าเรียกว่าพังขยานยานมีทั้งหมด16ที่เรียกว่าโรสรถยานยานหนึ่งชื่อนามรูก ป, ปริษเททยานส่วนยานสิบหกชื่อปัจจเวะขณะยานใครบรรลุถึงยานนี้ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลระดับต้น ที่เรียกว่าพระโสดาบันงั้นผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วใช่ไหมครับหนุ่มต้อมถามอย่างยินดีถูกแล้วหนูแต่อีกครึ่งทางที่เหลือน่ะยากลําบากชนิดที่เรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นเทียวละ่ะหนูต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดจึงจะเดินทางสายนี้ ได้ตลอดสายต้องเดินกันข้ามพกข้ามชาติเคียวละจะยากเย็นแสนเข็นสักปานใดผมก็จะพยายามครับหลวงตาป้าครับผมขออนุญาตบวชที่วัดนี้ได้ไหมครับผมอยากบวชไปจนตลอดชีวิตหนุ่มต้มพูดด้วยศรัทธาที่เปี่ยมล้นได้ยินว่าลูกจะบวชตลอดชีวิตข้าบดีก็ใจเป้า วิสัยของปู่ทุชนย่อมอยากเห็นบุตรหลานจเจริญในทางโลกมากกว่าจึงพูดกับท่านพระครูว่าเราสามารถบรรลุทำขั้นสูงได้โดยไม่ต้องบวชไม่ใช่หรือครับถูกแล้วแต่การบวชจะทำให้บรรลุได้เร็วกว่าการเป็นขรือหัดเมื่อท่านตอบดังนี้เขาจึงหันไปพูดกับลูกว่า ถ้าอย่างนั้นป๋าอยากให้ลูกกลับบ้านก่อนกลับไปคิดหลายๆวันถ้าลูกตั้งใจแน่วแน่ป๋าก็คงไม่คัดข้องแต่ตอนนี้ป๋ายังทําใจไม่ได้หรือหลวงพ่อว่าอย่างไรครับเขาขอความเห็นจากท่านพระครูก็แล้วแต่จะตกลงกันเองก็แล้วกันอารตมาเป็นคนนอกไม่อยากจะเข้าไปก้าวก่ายเรื่องในครอบครัว อย่าบวชเลยนะต้อมนึกว่าเห็นแก่แม่เธอนะนางกิมเองบอกลูกทำไมหรือครับทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ผมบวชเด็กหนุ่มถามมารดาเพราะแม่เสียพี่ต้นไปคนนึงแล้วไม่อยากเสียลูกไปอีกคนคนเป็นแม่ตอบเสียงเครือแปล ว, ว่าพี่ต้นบวชอยู่ที่อเมริกาหรือครับหนุ่มต่อถาม เขาไม่รู้เรื่องที่พี่ชายติดยาเสพติดถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะดีกว่าแต่นี่แล้วหล่อนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกิมเองพูดจาเลวไหลไม่เข้าเรื่องน่าสามีหล่อนว่าเขากลัวบุตรชายทั้งสามจะสงสัยลูกๆจะรู้เรื่องนี้ไม่ได้โยงแผ่เมตตาให้ลูกหรือเปล่า หลังจากปฏิบัติกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาไปให้เขาทุกครั้งอย่างที่อาตมาสอนหรือเปล่าเราทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำค่ะลอนตอบผมกับน้องๆก็ทำครับนมต่อรายงานบ้างถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอาตมาเชื่อว่าเขาจะต้องดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น ท่านพูดกับนางกิมเองและสามีสาธุคนทั้งสองยกมือขึ้นประนมและพูดพร้อมกันหลวงพ่อครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ทำให้ผมกับครอบครัวได้พบความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นความสุขที่สงบปราศจากความร้อนรนกระวนกระวายแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทอง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 ที่บุตรชายทั้งสามไม่เข้าใจหากท่านพระครูเข้าใจเด็กหนุ่มทั้งสามไม่รู้ว่าบิดาค้ายาเสพติดและไม่รู้เรื่องพี่ชายติดยาหลวงพ่อคะแล้วเฮียจะต้องตายไหมคะนางกิมเองถามด้วยความเป็นห่วงสามีผมไม่กลัวตายแล้วละครับหลวงพ่อมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วผมไม่กลัวตายเหมือนแต่ก่อน หากการละชั่วจะทำให้ผมต้องตายผมก็ยินดีข้าบดีพูดอย่างกล้าหาญเมื่อฮิริโอตปะเกิดขึ้นในจิตใจทำให้เขารังเกียจขยะขยงความชั่วและคิดว่าตายซะยังดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อก่อกรรมทำชั่วโยมไม่ตายหรอกเพราะมีคนอื่นตายแทนท่านพระครูพูดเป็นปริศนา ใครค้าหลุกพ่อใช่ดิฉันหรือเปล่าถ้าใช่ดิฉันก็ยินดีตายแทนเฮียเขาขออย่างเดียวอย่าให้เขามีเมียมใหม่ดิฉันไม่อยากให้ลูกๆมีแม่เลี้ยงค่ะนางกิมเองคิดไปซไกลไม่ใช่โยมหรอกเอาละอย่าเพิ่งซักถามถึงเวลาก็จะรู้เองข้อสำคัญคือให้มันปฏิบัติทุกวัน ขอให้เชื่ออัตมาสักครั้งหลวงตาครับนุ่มต่อเอ่ยขึ้นบ้างผมและน้องๆต้องกราบขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินหลวงตาในวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติอ๋อหนูล่วงเกินอะไรหลวงตาไว้ละ่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีต่อหลวงตาะสิครับผมโกรธที่หลวงตาไม่ยอมให้พวกเรารับประทานอาหารมื้อเย็น เลยพากันแอบนินทาหลวงตาเป็นการใหญ่แต่ป๋ากับแม่ไม่ทราบหรอกครับในต่อพูดจบก็พาน้องๆกราบท่านพระครูสามครั้งเป็นการขอขมาตกลงหลวงตาอาโหสิให้แต่หนูก็ได้ไถ่โทษแล้วการที่พวกหนูตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละคือการไถ่โทษพวกเราต้องกราบขอโทษป๋าด้วย ที่คิดว่าป๋าบังคับเดี๋ยวนี้พวกเรารู้แล้วว่าที่ป๋าทำไปก็เพราะความรักและหวังดีต่อพวกเราเด็กหนุ่มเข้าไปกราบแทบเท้าของผู้เป็นพ่อคาหบดีรู้สึกปิติจนน้ำตาคลอลูกๆเขาก็มีใบหน้าเครือน้ำตาส่วนเมียเขานั้นร้องไห้เลยทีเดียวเอาละ่ะกลับไปปฏิบัติต่อ ยังกุติของตนได้แล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่จะได้หมดเคราะห์หมดโศกโชคดีสีสุขกันทั่วหน้าพรุ่งนี้ก่อนไปอย่าลืมไปลาอาจารย์บัวเหี่ยวละ่ะไม่ลืมครับพวกผมเป็นหนี้บุญคุณอาจารย์บัวเหี่ยวมากเลยสักวันหนึ่งคงจะได้ทดแทนพระคุณ อาจารย์บัวเหี่ยวท่านก็มีกรรมของท่านทุกคนมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นอาตมาเองก็มีรู้สึกว่าจะหนักกว่าโยมและอาจารย์บัวเหี่ยวเสยอีกท่านพูดรื่อยเื่อยด้วยสิ่งที่ปกติไม่แสดงอาการวันไหวหวาดกลัวให้ปรากฏเพราะฝึกจิตไว้ดีแล้วขหาพบดีและครอบครัวลากลับไปแล้ว ท่านพระครูจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อคืนนี้ไม่มีอาคัรตุกะมาเยี่ยมเยียนหรือถามปัญหาคงจะหมดเรี่ยวหมดแรงกับการฉลองปีใหม่นั่นเองตอนเช้าของวันที่สี่มกราคม2517หหลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขหา บ, บดีก็พาบุตรและพันยามาลาท่านพระครูหลังจากนั้นจึงไปลาพระบูเหวเด็กหนุ่มทั้งสามมีท่าทางอาลาัยอาวรวัดป่ามะม่วงมากโดยเฉพาะหนุ่มต้อมแทบจะไม่ยอมกลับเลยทีเดียวลุงตาครับช่วยส่งพลังจิตไปดนใจให้ป๋ากับแม่อนุญาตให้ผมบวช ด, ด้วยนะครับผมอยากบวชโดยที่ป๋าเต็มใจ และแม่ไม่ร้องไห้ไม่งั้นผมก็ไม่สบายใจครับนุ่มต้มพูดออกมาจากใจท่านพระครูมองเขายิ้มยิ้มแต่ไม่พูดว่าไรสำหรับผมยังไม่คิดบทหรอกครับหลวงตาแต่ขออนุญาตมาที่นี่ในช่วงที่ปิดเทอมทุกครั้งได้ไหมครับนุ่มติ่งว่าตามสบายหลวงตายินดีต้อนรับ จะมาเมื่อไหรก็ได้ส่วนผมตั้งใจว่าจะมาทุกเย็นวันศุกร์แล้วกลับเย็นวันอาทิตย์รอให้ปิดเทอมคงคิดถึงหลวงตายแย่เลยหนุ่มต่อพูดบ้างชายหญิงคู่หนึ่งเดินตรงมายังกุฏิเด็กชายสามคนอายุไล่เลียกกันเดินตามมาต้อยๆคนทั้งห้าเข้ามานั่งทางเบื้องหลังของคหาบอดีและครอบครัว กราบเป็นจังเข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วนั่งสงบรอคิวต่อเมื่อข้าบดีและครอบครัวลุกออกไปแล้วผู้มาใหม่จึงพากันเลื่อนขึ้นมานั่งข้างหน้าแล้วกราบท่านเจ้าของกุฏิอีกครั้งมายัางไงกันล่านี่หายไปเส้นนานนึกว่าลืมอาตา ม, มาเส้นแล้วท่านทักอย่างเป็นกันเองปุรุษผู้นี้ชื่อนายนิยม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 หล่อนเป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพอย่างนั้นรึแล้วงานใหม่กับงานเก่าอย่างไหนหนักกว่ากันละ่ะก็พอๆกันแหละครับหลวงพ่อแต่หนักไปคนละแบบเรื่องงานหนักหนกไม่เท่าไร่แต่หนักใจสิค ร, ครับกลัวว่าจะทนไม่ได้ข้อสักวันทั้งสีหน้าและแววตาของผู้พูดแสดงว่าหนักใจจริงๆ หนักอกหนักใจอะไรนักหนาเถี่ยวบอกอาตมาได้ไหมเหล่าเพื่อจะช่วยได้ท่านพูดอย่างปราณีบอกได้ครับแต่คงไม่รบกวนให้หลวงพ่อช่วยเพราะมันคงเกินกำลังของหลวงพ่อก็ปัญหาเรื่องคอรับท่านนั่นแหละครับผมเห็นแล้วสงสารชาติบ้านเมืองมันกินกันตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ เขาหมายถึงพวกข้าราชการบางพวกที่ชุดริตในหน้าที่ปัญหาแบบนี้อาจตมาช่วยไม่ได้หรอกโยมมันเกินกำลังอย่างที่โยมว่านั่นแหละเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของกฎแห่งกรรมดีกว่าเราคอยดูอยู่เฉยเฉยท่านกึ่งปลอบกึ่งปลง บางครั้งมันก็เฉยไม่ได้ครับหลวงพ่อเพราะเราเห็นคนดีถูกรังแกเราก็เฉยไม่ได้เพื่อนผมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมวันหนึ่งมีอาเซียมาขออนุญาตตั้งโรงงานเขาตรวจแบบเปน็นแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตจึงไม่เซ็นอนุมัติรุ่งเช้าแกมาใหม่คราวนี้หอบเงินมาด้วยมาถึงก็ส่งเงินที่อัดใส่ซองพัสดุมาเต็มซองให้เพื่อนผมตอบว่า ผมเป็นข้าราชการมีเงินเดือนแล้วไม่ต้องรับเงินของคุณถ้าคุณทามาถูกต้องผมก็จะเซ็นให้โดยไม่รับเงินเลยเขาก็โกรธมากรุ่งอีกวันก็มาอีกคราวนี้ถือนามบัตรของนายกรัฐมนตรีมาด้วยบอกเพื่อนผมว่านายกให้เซ็นอนุญาตเพื่อนผมเขาก็บอกว่างั้นคุณไปบอกนายกให้มาพูดกับผมก็แล้วกันเท่านั้นเองได้เรื่องเลยครับ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 ไม่ใช่ฝีมือนายกหรอกโยมอย่าไปโทษท่านสุ่มสี่สุ่มห้าบาปกรรมเปล่าเปล่าท่านเจ้าของกุฏิขัดขึ้นหมายความว่าอย่างไรครับนายนิยมไม่เข้าใจก็หมายความว่ามีการแอบอ้างชื่อนายกนะสิแต่คนที่เป็นตัวการนั้นที่แท้ก็คือ นายของเพื่อนโยมนั่นแหละคนที่สั่งย้ายน่ะนายย้งนายยกที่ไหนกันท่านอธิบายตามที่เห็นนายเขาก็โดนครับหลวงพ่อในเจ็ดคนนั้นก็มีนายเขารวมอยู่ด้วยนายนิยมแย้งเพราะผู้บังคับบัญชาของเพื่อนเขาก็รวมอยู่ ใ, ในเจ็ดคนที่ถูกสั่งย้ายก็นายของนายยังไงล่ะ โยมลืมแล้วรึที่เขาพูดกันว่าเนื้อฟ้ายัางมีฟ้านะ่ะลืมเซนแล้วรึคำพูดของท่านพระครูทำให้นายนิยมเข้าใจอย่างทะลุปรปโปรง่งขณะเดียวกันก็ให้อ่อนใจกับระบบราชการมากยิ่งขึ้นระบบราชการที่ไม่สนับสนุนคนซื่อสัตย์สุจริตแม้ดิฉันว่าจะไม่พูดก็อดไม่ได้ ในไหนก็พูดเรื่องน ma, ี้กันแล้วก <TI>. ็เลยขอถือโอกาสพูดเสยเลยดีฉันเห็นมากับตาจร Fore. ิงๆนะคะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครถ้าใครจะมาฟ้องร้องดีฉันก็ยินดีเพราะได้บันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานด้วยแพทย์หญิงนลินเอ่ยบ้างคุณหมอก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันหรือท่านพระครูพูดยิ้มๆก็ว่าจะไม่เล่าแหละค่ะหลวงพ่อแต่ไหน คุณพี่เขาเล่าเรื่องเพื่อนเขาดิฉันก็ขอถือโอกาสเล่าเรื่องน้องสาวของดิฉันอีกรายรายนี้จ่ายไปกว่าครึ่งล้านค่ะคือเขาทำธุรกิจอย่างหนึง่งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่คนที่จะเซ็นอนุมัติต้องเป็นระดับประหลัดกระทรวงกว่าเขาจะเข้าถึงประหลัดกระทรวงก็ต้องจ่ายเป็นค่าบเบี้ยใบายรายทางไปร่วมแสนตั้งแต่หน้าห้องอธิบดีตัวอธิบดี หน้าห้องปลัดกระซวงแม้แต่คนขับรถของประลัดกระซวงก็ต้องจ่ายค่ะและเมื่อวานนี้เองเขานัดประหลัดกระซวงมารับเงินที่บ้านเขาก็เรียกดิฉันไปด้วยดิฉันแอบบันทึกเทปไว้โดยไม่เขารู้ตัวประลัดกระซวงท่านมากับคนขับรถถือกระเป๋าเอกสารเปล่าๆมาใบหนึ่งมาถึงน้องสาวก็แนะนำให้ดิฉันรู้จักพร้อมกับออกตัวว่าเขาเป็นโสด ยังไม่มีคู่คิดเลยต้องอาศัยพี่สาวน้องสาวดิฉันก็จัดการนำธนบัตรใบละร้อยที่เพิ่งเอาออกมาจากธนาคารอัดใส่กระเป๋าใบนั้นอัดจนแน่นเลยนะคะแล้วก็ยังใส่ซองให้คนขับรถอีกสอง0มื่นแล้วในกระเป๋านั่นกี่หมื่นท่านถามไปอย่างนั้นเองห้าแสนค่ะธนบัตรใบละร้อยใหม่เอี่ยมห้าพันใบค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะ ตอนเขาเดินถือกระเป๋าเข้ามาดูท่าทางเขาสง่าเดินตัวตรงเชียวค่ะแต่พอขากลับเดินตัวเอียงเพราะกระเป๋าหนะักน้องสาวดิฉันก็แกล้งถามว่าท่านถือไหวไหมคะดิฉันจะให้เด็กถือไปส่งที่รถนะคะท่านก็ว่าไม่เป็นไรผมถือเองได้น้องสาวก็เดินไปส่งท่านที่รถซึ่งคนขับนั่งรออยู่เขาก็ยื่นซองที่มีเงินสองหมื่นให้คนขับรถ ดิฉันเห็นแล้วนึกสมเพศมากๆเลยค่ะเป็นประหลัดกระซวงนะคะก็เลยคิดว่าจะจำคนชื่อนี้นามสกุลนี้เอาไว้จะบอกลูกบอกหลานด้วยว่าคนตระกูลนี้ขอรับช่นก็คุณหมอบอกว่าน้องสาวทำถูกต้องแล้วทำไมต้องจ่ายเขาด้วยละ่ะท่านถามอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักเขาไม่เซ็นอนุมัติค่ะ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 ทำให้ผมนึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจภูธรยศพันตำรวจโทวันหนึ่งเขาจับรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นรถขนฝิ่นคนขับก็อ้างชื่อในพลเอกคนหนึ่งแล้วครูให้ปล่อยเขาไม่ยอมปล่อยก็เลยถูกไล่ออกเขาแค้นมากครับบอกว่าเขาทํางานอย่างสุจริตแต่ผลตอบแทนคือการถูกไล่ออกส่วนเพื่อนๆที่ทุจริตกลับได้ขึ้นขั้นขึ้นเงินเดือนกันเป็นแถวๆ แ, แบบนี้ เมืองไทยจะไปรอดหรือคลับหลวงพ่อก็ต้องคอยดูกันไปนั่นแหละถ้าไม่ตายเสียก่อนก็จะรู้ข้อสำคัญก็คือเราอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างเขาก็แล้วกันเราต้องรักษาความดีของเราเอาไว้ท่านพูดเชิงตักเตือนผมไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับนี่ผมก็อึดอัดใจมาก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 เขหันมาหาลูกๆแต่ไม่พบไม่รู้พวกเด็กๆหายไปไหนโนนแหละเล่นน้ําอยู่หลังวัดโนนเมื่อกี้วิ่งเล่นที่ลานวัดแล้วเกิดร้อนก็เลยพากันไปเล่นน้ําท่านพูดราวกับตาเห็นสองสามีพัญญาจึงเดินไปที่ท่าน้ําก็พบลูกๆกําลังเปลือยกายล่อนจอนเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนาน ทั้งที่อากาศหนาวก้องเก่งกล้าขึ้นได้แล้วพ่อกับแม่จะกลับแล้วแพทย์หญิงนาลินตะโกนเรียกลูกเด็กชายก้องจึงชวนน้องๆวิ่งขึ้นจากน้ำมาสวมเสื้อผ้าซึ่งถอดกล่องไว้บนกอหญ้าริมตะลิ่ง